1.16 จเวลาภาวนาให้มีวิหารธรรมวงเล็บเปิดยี่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าอห้าสิบเอ็ดในวงเล็บสองจุดจุดนาทีศูนวงเล็บปิดอารมณูปนิชฌานคือการเพ่งตัวอารมณ์นี่คือการทำสมถกรรมาฐานเกือบทั้งหมดนะตัววิปัสสนากรรมาฐานนี่มีชื่อว่าลักคนูปนิชฌานการที่เราไปเห็นเห็นลักษณะ เห็นไตรลักษณ์ฉะนั้นจะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยต้องอย่าไปเพ่งเอาถ้าเพ่งตัวอารมณ์แล้วมันจะนิ่งๆอารมณ์ไม่เคลื่อนไหวเหมือนสมมุตินี่เป็นกระต่ายสักตัวหนึ่งหรือแมวสักตัวหนึ่งมันวิ่งไปวิ่งมานะเราไปเพ่งมเหมือนเราไปกดมันเอาไว้อย่างนี้มันกระดูกกระดิกไม่ได้มันแสดงไตรลักษณ์ไม่ได้ทีนี้พอเราไม่เพ่งอะไรจะเกิดขึ้น ไอ้ตัวนี้เคยถูกกดมานานพอเลิกกดนะจะหนีหนีหนีหนีไปฉะนั้นพวกเพ่งเก่งๆนี่พอเลิกเพ่งนะจะฟุ้งซ่านสุดๆเลยจะรู้สึกตัวยากมันคิดดอกเบี้ยเพราะไปบังคับมันไว้นานแล้วหน้าที่ของเราก็คือพยายามรู้สึกตัวไปอาจจะมีเครื่องอยู่อะไรสักอันหนึ่งถ้าเราไม่ได้ติดเพ่งรุนแรงมาก่อนนะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวตั้งในวงเล็บ วิหารธรรมสมมุติว่าบางคนท่องพุทโธเอาพุทโธเป็นตัวตั้งพุทโธแล้วไม่ใช่บังคับจิตให้ไปอยู่ที่พุทโธพุทโธแล้วจิตไปอยู่ที่พุทโธนี่ก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้พุทโธแล้วก็รู้ทันเห็นจิตหนีไปหนีมาเห็นจิตสุขจิตทุกขจิต ด, ดีจิตร้ายพุทโธเอาไว้เป็นตัวตั้งเพื่อจะดูจิตบางคนถนัดดูลมหายใจถ้าไม่ไปเพ่งใส่ลมหายใจนะ เรารู้จิตเอาลมหายใจเป็นตัวตั้งแล้วมารู้จิตเช่นจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้จิตนี้ไปอยู่ที่อื่นเราก็รู้จิตไปคิดเราก็รู้ทําอะไรเราก็รู้จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตร้ายรู้ไปเรื่อยรู้จิตเอาลมหายใจเป็นแบ็กกราวน์ในวงเล็บเครื่องอยู่ไว้นะเอาพุทโธเป็นแบ็กกราวน์เอาลมเป็นแบ็กกราวน์คนไหนถนัดดูพองยุบโดยไม่ไปเพ่งทองนะ ก็เอาพองยุบเป็นแบ็กกราวด์แล้วค่อยรู้ทันจิตไปเนี่ยไม่ว่ากรรามฐานอะไรถ้ามันเนื่องด้วยกายด้วยใจของเราแล้วก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติได้ทั้งหมดถ้าเรามีเครื่องมือเครื่องสังเกตเอาไว้อันหนึ่งคล้ายๆเป็นที่สังเกตนะเป็นที่หมายถ้าจิตไหลามานี่ก็รู้จิตไหลไปก็รู้ในที่สุดเราจะเห็นจิตได้ชัดเจนต้องฝึกอย่างนี้นะมันจะไม่เผลอนาน